เราเดินเดินไปธรรมชาติเคยเดินท่าไหนที่บ้านที่สวนลุมที่สนามกีฬาก็เดินท่านัน้นเวลาเดินก็ จิตใจไหลไปคิดก็รู้ทันรู้ทันมันจะกลับมาที่ความรู้นรู้ตัวตั้งกายของเราเอง <eigenlijk> การเดินเป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งเฉยๆแต่หน้าที่เราก็คือว่ารู้สึก การเคลื่อนไหวนั้นไม่ว่ามันจะเคลื่อนไหวช้าเคลื่อนไหวเร็วเราก็รู้สึกอยู่จิตใจปกติดีเดินไปเดินมาชักไม่ปกติละรู้ทัน เดินไปสังเกตจิตใจเป็นยางไงไม่มีอะไรเงียบปกติทำไมการเดินจงกรมมันถึงปกติง่ายๆเงียบง่ายๆเพราะอะไรไม่เหมือนไปเดินชอปปิง้งไปเดินเล่ น, เ ด, น, น, นเดินนู่นเดินนี่ เพราะกิเยาของการเดินจงกรมนี่มันพาให้เรารู้จักความวิเวกรู้จักว่าเราอยู่ในหน้าที่ที่จะอยู่กับตัวเองเรียนรู้ตัวเองเราก็รู้จักสภาพปกติง่ายๆสภาพที่ผมบอกว่าเราทุกคนจะต้องรู้จักมันบ่อยๆสภาพที่มันไม่มีกิเลสสภาพที่มันปราศจาก ราคะโทสะโมหะนี่เป็นสภาพเดิมๆที่มันมาพร้อมกับเราตั้งแต่เราเกิดมาอยู่แล้วการเดินจงกรมทำให้มันเปิดเผยตัวออกมาง่ายๆเราได้พาจิตใจในรู้จักสภาพที่มันสะอาดสว่างสงบนี่เรากาลัลางเปลี่ยนนิสัยจิตใจแทนที่มันจะไปฟุ้งซ่านมันก็จะมารู้จักสภาพที่ดีกว่ามันก็จะมาอยู่ที่นี่แหละ พอมารู้จักบ่อยๆบ่อยๆเข้ามันก็เป็นโมเมนตัมส่งผลเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสภาพปกตินี้มันจะไปกับเราด้วยมันจะเปิดเผยตัวเพราะจิตใจเรารู้จักมันหรือชอบอยู่กับมันเหมือนกันชีวิตวันๆของเรา กับโมเมนตัมแบบนี้มันก็ทุกน้อยลงอัตโนมัติเลยและความที่จิตใจปกติอยู่แบบนี้แหละสัมมาส ม, มาธิเรียกว่าส ม, มาธิตั้งมั่นเรียกว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยก็จะก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นพร้อมที่จะเป็นอะไรเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานพร้อมที่จะเจริญวิปัสนาญาณคือการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาควบคุมบังคับอะไรไม่ได้เลย ทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุปัใจจัยเฉยๆเพราะนั้นมันเกิดจากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นผลเนื่องๆกันมาแล้วเกิดจากเดินจงกลมพรามันอยู่กับเนื้อกับตัวปุ๊บความเป็นปกติมันก็เปิดเผยตัวออกมาเปิดเผยตัวกันมานานเข้านานเข้าสมาธิตั้งมันก็เกิดขึ้น สมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นอะไรผ่านมาในจิตใจเราเห็นได้ก็กลายเป็นการเจริญวิปัสสนาพอเราจเจริญวิปัสสนาเห็นความจริงในโลกนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองมากเข้ามากเข้าเห็นว่ามันตกอยู่ภายใต้กฎตรลักษ์มากเข้ามากเข้าเกิดอะไรขึ้นยานทัศนะต่างๆเริ่มดําเนิน จนไปถึงยานที่เรียกว่าสังขารุเบขาญาณคือยานแห่งความเป็นกลางต่อสังขารทั้งปวงความเป็นกลางต่อสังขารปรุงแต่งทั้งปวงและนั่นเป็นประตูสูม่มรรคผลนิพพาน ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยจะสังเกตว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยมันเกิดจากการแล้วกาเริ่มเดินจงกรมทำหน้าที่ที่ผมบอกรู้สึกตัวพ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งรู้จักสภาพที่มันปกตินี่ไว้ บ, บ่อยๆแล้วทุกอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดทั้งหมดมันเกิดเองเป็นเองจเจริญเอง เพราะนั้นจใจผมบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันยากนี่ผมพูดไม่ได้เลยเพราะมันง่ายอยู่ที่เราจะทำมันหรือเปล่ามันยากตรงนี้แหละเดินไปเริ่มจิตใจล่องรอยกลับมารู้สึกตัว เริ่มมือลอยเนี่ยกลับมารู้สึกตัวรู้ทันเวลาเดินช้าๆเนี่ยสังเกตแรกๆเราเริ่มเดินเนี่ยความตื่นตัวสดใหม่สดชื่นเนี่ยมันดีเดินช้าๆเนี่ยมันเริ่มซึมเริ่มเสื่อง หายใจเข้าลึกๆปลุกความสดชื่นขึ้นมาให้มันตื่นตัวไว้ให้มันสดชื่นเอาไว้ความซึมนี้เป็นโมหะความหลงเป็นฝ้าบางๆอย่าให้มันครอบงำเรา สูดหายใจลึกๆเลือมตากว้างๆตื่นเนื้อตื่นตัวสำคัญปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปเอานิ่งสงบให้มันตื่นรู้ตื่นตัวรู้อะไรเป็นอะไรรู้จิตรู้ใจของเรา เรียนรู้มันมันทำงานได้เองมันไปคิดเองรู้ทันอารมณ์เปลี่ยนเองรู้ทันเดี๋ยวเบือ่อรู้ทันเดี๋ยวสดชื่นรู้ทันมีกิริยาเดียวรู้อย่างที่มันเป็นไม่มีหน้าที่จัดการมันไม่มีหน้าที่จัดการให้มันดีกว่านี้ส ง, งบกว่านี้ ไม่มีหน้าที่แบบนั้นมีหน้าที่เรียนรู้มันเป็นแบบนี้จนเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์ เ, เวลาเราเข้าใจว่าอะไรเป็นทุกข์เราจะปล่อยมันได้ถ้าเราปล่อยมันได้เราจะเข้าถึงความพ้นทุกข์ทันทีเพราะนั้นมีหน้าที่เรียนรู้ กายกับจิตนี้อย่างที่มันเป็นไม่มีหน้าที่จะไปแก้ไขจัดการอะไรทั้งนั้นถ้าเรามม่ได้จัดการให้มันดียางที่เราอยากให้มันเป็นเราจะไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยว่ามันเป็นทุกข์แล้วถ้าเราไม่สามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นทุกข์เราจะไม่มีวันปล่อยวางมันได้เลย ลอยก็ให้รู้ทันซึมก็ให้รู้ทันอย่าลืมว่าเราต้องตื่นตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นกายตื่นใจถ้าในขณนะดเดินเอาฟุงส้านเยอะ นั่นแปลว่าก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบเราไม่ค่อยมีความเป็นปกติเป็นพื้นฐานของจิตใจนั่นแปลว่าอะไรเราไม่ค่อยมีสมาธิมันสังเกตตัวเองอะไรที่เรา อ่อนด้อยอยู่เพิ่มไม่มีระเบียบวินยัยกมีระเบียบวินยัยไม่ได้ทำในรูปแบบก็ทำซะมันจะได้เจริญขึ้น รู้สึกตัวและอย่าลืมงานอีกอย่างหนึ่งคือเรากลับมารู้จักสภาพที่ปกติเดินไปนี่เรามีงานอยู่ไม่กี่อยารู้สึกตัวหันไม่ดูใจเราปกติเรารู้จักปกติแล้ว นอกนั้นที่เหลืออะไรจะเกิดขึ้นในใจนี้รู้ทันอย่างเดียวรู้ทันแล้วก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจาร์มันรู้แล้วผ่านไปเลย เวลานี้เป็นเวลาอยู่กับตัวเองเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่ ง, งอาทิตย์หนึ่งเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับตัวเองมาที่นี่รู้จักการอยู่กับตัวเอง รู้จักความไม่ทุกข์รู้จักว่าเรามีชีวิตแบบนี้ได้ชีวิตที่ทำเรื่องง่ายๆนี่แหละเดินไปเดินมานี่แหละเดินไปเดินมาทำงานทั้งวันได้พันห้า เดินไปเดินมาได้บรรลุธรรมพวกคนสิ้นคิดทั้งหลายไม่ทําอะไรวันวันเดินไปเดินมาเนี่ยคนในโลกจะว่าเราแบบนั้นไม่ทําประโยชน์อะไรให้กับโลกเลยจริงๆคนในโลกไม่รู้เรื่องแค่เราไม่ทําบาปนี่แหลก็ทําประโยชน์ให้กับโลกนี่เยอะแล้ว ผมศึกมาใหม่ๆไม่ได้กลับบ้านแม่ผมถามว่าวันๆทำอะไรผมบอกว่าผมเดินไปเดินมาเหมือนที่พวกเรากำลังเดินอยู่ตอนนี้ จำไว้อันนี้เป็นนโยบายทำงานทั้งวันได้พันห้าเดินไปเดินมาได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมคือได้อะไรได้ความไม่ทุกข์ได้ความพ้นทุกข์อย่างถาวรได้ความไม่ต้องเกิดอีกต่อไป ภาษาไทยก็จะพูดว่ามันเดินไปเดินมามันง่ายๆแต่หลายคนก็แย้งในใจว่ามันก็ยากเหมือนกันมีภาษาอังกฤษอันหนึ่งได้ยินตอนเล่นโยคะเขาบอกว่าการเล่นโยคะนี่มันแค่หายใจ simple doesn't mean easy Simple แต่ไม่ได้หมายความว่าง่ายการปฏิบัติธรรมคือ Si แต่ก็ไม่ใช่เชิงง่ายสีทีเดียวแต่ s i มเปิลซิมเปทำให้ได้เดินไปเดินมานี่แหละ ตอนเรียนจบใหม่ๆปริญญาตรีปริญญาโทมีปริญญาเอกด้วยหางานทำแทบตายตอนนี้ให้ไม่ทำงานดูจะยากไปยังไงไม่รู้ ตอนไปคอร์สที่เชียงรายปีก่อนหลวงพ่อเคยเทศบอกว่าทุกคนเสียสละมาเข้าคอร์สที่นี่ใช้เวลาหลายวันถ้ามีคนถามเราว่าเรามาทำอะไรหลวงพ่อให้ตอบว่าเรามาไม่ทำอะไร นี่เป็นคําตอบที่ดีมากเราดิ้นรนทำอะไรตลอดเวลาทั้งชีวิตเราไม่เคยฝึกเลยที่จะไม่ทำอะไรเรื่อง ง, ง่ายๆมันเลยกลายเป็นเรื่องยากทันทีเราฝึกมาฝึกที่จะไม่ทำอะไร มีหน้าที่แค่เรียนรู้กายกับจิตนี้อย่างที่มันเป็นและความเข้าใจจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดเองใจนี้จะสรุปประมวลผลความเป็นจริงที่เรา สร้างกระบวนการเรียนรู้นี้มันจะสรุปเองมันสรุปเองด้วยตัวมันเองไม่เกี่ยวกับความคิดไม่ใช่เราเข้าใจแต่เราก็เข้าใจด้วยนั่นแหละในะที่สุด ชีวิตมันอยู่กับความเบื่ออะพี่เราก็ทำโน่นทำนี่เพราะว่าเราเบื่อเ ร, เราเราเพิ่งเข้าใจ อ, อย่างลึกซึ้งเพิ่มขึ้นปกติเราก็อาจจะอยู่กับมันได้บางครั้งเราก็อาจจะหนีมันนิดหน่อยเช่นไปฟังเพลงดูหนังที่บ้าน อ, อะไรแนี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออก็ก็เริ่มอยู่กับมันได้มากขึ้นคือด้วยการหายใจเฉยๆอะ แล้วก็ไม่ทําอะไรเลยก็นั่งเฉยๆเหมือนเหมือนนั่งชาวบ้านก็คงจะมองว่าเหมือนนั่งเฉยๆอะไรอย่างนั้นทําทุกแล้วอือ่อก็อยู่กับมันเรายังวิ่งไปทําอะไรอยู่เนี่ยเช่นไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปอะไรเงี้ย <c oughs> เขาเรียกว่าเรายังเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์อะ่ะ <c oughs> คือเรายังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราไปทําเนี่ยมันไม่ใช่ความสุข พอเราเข้าใจว่าเรายังได้ความสุขจากมันอยู่เนี่ยเราเลยอยากจะไปทํามันแต่แน่นอนอันนี้ก็ทุกคนก็จะต้องมีความผ่อนคลายในการปฏิบตับติบ้างแต่อยากจะให้ทุกคนเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะไปทํามากๆเนี่ยเวลาเราได้เสพแล้วอ่ะเขาเรียกว่าเสพทางตาหูจมูกลิ้นไกาใจเนี่ย เสพแล้วเนี่ยมันใช่ความสุขไหมเราต้องสังเกตแบบนี้เราจะผ่อนคลายแบบที่เราอยากจะไปทําบ้างไม่เป็นไรหรอกแต่เราต้องเรียนรู้จากมันด้วยว่าสิ่งที่เราทํานี่มันใช่ความสุขไหมความสุขอยู่ตรงไหนไปดูหนังความสุขอยู่ตรงไหนอันนี้ตลองดูตรงไหนลองหาหาอตรงไหนไม่มีหรอกในีวามจริงไม่มีที่บอกเราอยู่บ้านเราก็เบือ่อจะไปเดินห้างแล้วบอกเราได้ความสุข ลองไปดูที่มันความสุขอยู่ตรงไหนเวลาเข้าไปเดินห้างความสุขอยู่ตรงไหนอะไรเป็นเรียกว่าความสุขเราจะต้องสังเกตแบบนี้ตรงไหนเป็นความสุขแล้วพอเราหัดสังเกตเราจะรู้ว่าไม่มีเราจะไปญี่ปุ่นไปสังเกตดูตรงไหนเป็นความสุขทําอะไรได้ช็อปปิ้งเราถึงมีความสุขหรือได้เห็นฮิมะหรืออากาศมันเย็นก็เปิดแอร์อยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น <laughs> เออ เราไปสังเกตให้ดีว่าตรงไหนที่เราเสพเข้ามาแล้วเรียกว่าความสุขถ้าเราสังเกตเรียนรู้จนวันหนึ่งเรารู้สึกได้ว่ามันไม่ได้เรียกความสุขหรอกมันแค่เป็นเวทนาอย่างหนึง่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเวทนาก่อนหน้าก็คือความรู้สึกแรกมันเบื่อแล้วเราก็วิ่งไปทำํำพอมันเบื่อปุ๊บกิเลสก็ขับดันเรา โอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยทำอะไรดีวะไปเที่ยวดีกว่าไปปุ๊บพอแค่สตาร์ทรถซึ่งมันก็มีความสุขแล้วยังไม่ถึงที่เที่ยวเลยอืมเพราะอะไรมันได้เปลี่ยนอารมณ์มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นี่คือสภาพที่บอกว่ า, วาทุกสิ่งอยู่ภายใต้กฎใจรักคือมันเป็นทุกทนไม่ได้ จิตใจนี่เหมือนกันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเลยต้องวิ่งลอกทั้งวันที่จะไปหาอะไรทําแล้วพอเราได้สิ่งที่เราอยากจะทําเราก็บังเอิญบังเอิญเรียกมันว่านี่แหละคือความสุขแต่จริงๆไม่ใช่เราหนีความเบื่อตลอดชีวิตเฉยๆหนีความเบื่อตลอดแม่ผมเคยถามว่า ถ้าอยู่อย่างนั้นไม่เบื่อไม่ทำอะไรเลยเดินไปเดินมาผมบอกว่าเบื่อแต่เบื่อนี่แหละเป็นครูของผมเบื่อนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าเรายัางปฏิบัติไม่ได้เรื่องเลยเป็นตัวฝึกเราความเบื่อเป็นตัวฝึกเรา มันเป็นทุกข์ที่ลึกซึ้งที่สุดคือความเบื่อเราต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้คนเราจะไม่เบื่อได้ยังไงคือหมดการสแสวงหาแล้วหมดกิริยาการของจิตคือเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นเบื่อ เป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับมันให้ได้ฝึกเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอยู่ก้นบึ้งของหัวใจเราทุกคนถ้าเราจะหาความสุขไม่ใช่หาไม่ได้นักปฏิบัติเราต้องผ่อนคลายบ้างเป็นศิลปะในการปฏิบัติธรรมเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตแบบเนี้ที่ไม่ตึงไปไม่หย่อนไปพูดแบบนี้เดี๋ยวพวกนี้เอาไป ต้องต้องต้องต้องพอดีที่ต้องพอดีต้องไปเที buy, ่ยวบ้างการผ่อนคลายที in ่ผมไม่ทำแค่เคยกินข้าวที่บ้านทุกวันออกไปกินข้างนอกบ้างอันนี้แค่นี้พระพุทเจ้าบอกว่าอีเลตันหาเปรียบเสมือนมหาสมุทรกว้างใหญ่เติมเท่าไหร่ไม่เคยเต็ม ไม่ว่าเราจะสนองมันเท่าไหร่ก็ตามจะเบื่อมันเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้ามันขึ้นชื่อว่าเป็นกิเลสตัณหามันไม่เคยเต็มแม้ว่าเราจะรู้สึกเบื่อแต่เราก็ยังอยากไปเหมือนเรามีแฟนเบื่อไหมเบื่อมันแทบตายแต่เขาเลอกกับมันไม่ได้นะคล้ายๆมนุษย์เราอะ มนุษย์เราเนี่ยไม่ค่อยจำความทุกข์เรามากักจะจำความความสุขอย่างเดียวไปเที่ยวเนี่ยเบื่อเราก็เบื่อเหมือนกันไม่เบื่อนั่งเครื่องแบกกระเป๋าสี่ห้าหกตื่นอา่อาอ่ากลับมาถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้เช้า สี่้าหกนะครับโอ้โหแม่งยิ่งกว่าไปปฏิบัติธรรมต้องมีระเบียบวินัยมากเวลานี้นะครับช้อปปิ้งเวลานี้ห้ามเลยห้ามเลยถ้าเลยเราจะไม่รับคุณกลับเองนี่อย่างนี้มันมันก็น่าเบื่อมันกันนะแต่เราก็ชอบไปคือเรื่องน่าเบือ่อน่าเบื่อทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วว่าทุกสิ่งในโลกนี้คือล้วนน่าเบือ่อแต่เราก็ยังอยากทําเพราะอะไรที่ผมบอกเราทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ จิตใจที่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต่อให้เบื่อก็ไปคือกุขอเปลี่ยนจากอารมณ์นี้กุข อ, อารมณ์อื่นอะไรก็ได้ผมเคยครั้งหนึ่งผมอยู่ตัวเองเบื่อเรียกว่าโคตรเบื่อเลยแหละเบื่อมากจิตใจนี้เบื่อมากดิ้นรนมาก เรารู้เลยว่าจริงๆมนุษย์เราจิตใจของเรานี้ไม่ใช่ต้องการความสุขไม่ใช่เลยมันแค่ต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการการเปลี่ยนแปลงเฉยๆอะไรก็ได้ให้กูไปลงนรกก็ยอมตอนนั้นคือขอให้ได้เปลี่ยนความที่มันอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยมันมันทุกข์กว่านรกอีกอืมมันมันต้องการมันหิวอารมณ์ มันอยู่ที่นี่ไม่ได้มันต้องไปอีกที่หนึ่งขอให้เปลี่ยนแปลงหน่อยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเลยบอกว่าวันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าจิตแท้จริงแล้วมันเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองเลยเพราะนั้นมันต้องการการเปลี่ยนแปลงเสมอแล้วมันได้รับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทุกข์หรือสุขเราพอใจกับมันว่าเราได้เปลี่ยนแปลงพอเราพอใจว่าเราได้เปลี่ยนแปลงปุ๊บหลังจากนั้นถ้าสมมติ ไปในสถานการณ์ที่ว่าเหมือนลงนรกเราก็จะค่อยทุกต่ออีกไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วเราจะเปลี่ยนอีกไปถ้าเราอยู่ไปไปอยู่ในสถานการณ์ที่สุขเช่นอะไรไปชอปปิง้งก็มีความสุขจับขังอยู่นั้นเลยไม่ให้กลับบ้านจะทุกข์อีกและอา่า เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่สิ่งที่เราไปเราสุขเพราะมันได้เปลี่ยนแปลงเลยเฉยแค่นั้นเองแต่เราเข้าใจผิดว่านั้นว่าสิ่งที่เราไปทําอุ้ยได้ความสุขโอโหไปเที่ยวได้ความสุขไม่ใช่เปลี่ยนใหม่วันหลังจะทําอะไรอยาก จ, จะทําอะไรอุ้ยได้ความเปลี่ยนแปลงเอ่อมันจะได้สอนตัวเองว่าไม่ใช่ได้ความสุขเราได้ความเปลี่ยนแปลงเลยเฉย เพรจิตใจนี่มันดิ้นรนที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ความลึกซึ้งของจิตใจความลึกซึ้งของชีวิตของเราเองเนี่ยมีเรื่องที่เรายังไม่เคยรู้อีกเยอะที่เราจะต้องเรียนรู้ทําไมเราต้องใช้ชีวิตที่วีเวกสันโดษลาออกจากงานเพื่อจะเรียนรู้แบบนี้แหละเรียนรู้ให้มันเข้าใจด้วยตัวเองไม่ใช่มีคนมานั่งบอกแบบนี้ไม่มีใครบอกผมเหมือนกัน แต่สิ่งแวดล้อมที่ผมอยู่สอนผมแล้วผมได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเราทุกคนก็ต้องเรียนรู้สภาพเหล่านี้ด้วยตัวเองเหมือนกันมันถึงจะเป็นการเข้าใจเข้าไปในใจของเราเองถ้าเราได้แต่ฟังฟังเราไม่เคยรู้เห็นมันจริงๆอ่ะเหมือนเราฟังไฟว่ามันร้อน่ะ เขาฟังว่าร้อนว่าร้อนนะไม่รู้ร้อนอะไรไงจนกว่าจะเอามือไปเอาไฟลวกสักทีนึ่งก็รู้แน่เลยว่าร้อนยังไงอย่างเงี้ยเราะนันต้องรู้เองจะรู้เองได้ต้องมีเวลาอยู่กับตัวเองเรียนรู้ความทุกข์ที่อยู่ก้นบึ้งที่สุดของชีวิตเราทุกคนคือความเบื่อ ถ้าเราอยู่ในโลกเราจะไม่ได้เรียนรู้ความลึกซึ้งความเบื่อแบบนั้นเพราะเดี๋ยวเราก็ไปทํางานเดี๋ยวไอ้นี่ก็มาคุยกับเราเดี๋ยวไอ้นั่นก็มาคุยกับเรามีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่บอกให้ลาออกโอ้โหลาออกแล้วจะทําอะไรเบื่อตายเลยเห็นไหมมนุษย์เรากลัวเบื่อมากกว่ากลัวทุกนี้ทํางานอีกเรากลัวเบื่อที่สุดในโลกนี้เลย แปลว่าความเบื่อนี่เป็นความทุกข์มหาศาลกับมนุษย์เราทุกคนถ้าเราไม่สามารถที่จะอยู่กับมันได้จนพ้นจากมันไปเราต้องเป็นทุกข์ทั้งตลอดชีวิตทั้งชาติกลางคืนเนี่ยบางทีเราทำงานใช่ไหมอาจจะมีบางวันที่มันเหนื่อยเราก็ ไม่อยากเดินอืแล้วก็อยากจะแค่นั่งแบบเหมือนนั่งกับฟังเมื่อกี้อย่างเมื่อเช้าหรือนั่งกับหลวงพ่ออะไรเงี้ยแล้วเปิดธรรมะไปด้วยอย่างนี้ก็แทนกันได้ใช่ไหมคะได้เพียงแต่ว่าในเวลานั้นที่เราเซ็ตเอาไว้ใช้ทําเวลาเดินเออเราอยู่กับตัวเองถ้าเราอยู่กับตัวเองได้มันก็อิริยาบทไหนก็ได้วันก่อนเพิ่งอ่านเจอว่าลูกศิษย์หลวงปู่ม่านองค์หนึ่งไม่ชอบเดินจงกรมอายุสั้น อายุแค่สี่ห้าสิบมังเนี่ยอันนี้ก็มรณภาพแล้วแต่เป็นพระอรหันต์นิพพานท่าไหนรู้ไหมนอนนี่พระที่เจ้าเลยบอกว่าฮะยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติธรรมได้หมดแต่พวกเราอย่านอนดีกว่าก็มีลูกศิษย์หลวงูมานอีกองหนึ่งที่เล่าเรื่องนี้จำชื่อไม่ได้ก็บอกว่าเออแต่ของ อาตมาก็นอนไม่ได้นอนปุ๊บหลับเลยยาวอะไรเงี้ยเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเหมาะกับอะไรยืนเดินนั่งนอนเราเหมาะกับอะไรคิดว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าไม่ต้องทําอะไรจะขอให้อธิบายคือความไม่ทําอะไรอย่างแรก สำคัญที่สุดคืออย่างเมื่อกี้ที่เราเดินจงกลมที่ผมบอกเราไม่มีหน้าที่จัดการอะไรให้มันเป็นอะไรอย่างที่เราอยากให้มันเป็นเรามีหน้าที่เรียนรู้อะไรก็ตามที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเรานี้เรียนรู้มันเฉยๆรู้อย่างที่มันเป็นไม่มีการเข้าไปทําอะไรจัดการอะไรอันนี้คือการปฏิบัติทางใจเกิดทาแบบนี้คือไม่ทําอะไรส่วน การไม่ทำอะไรในชีวิตของเราที่ผมบอกว่าส่วนหนึ่งคือการเรารู้ปฏิบัติยังไงปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติยังไงอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการใช้ชีวิตให้ถูกใช้ยังไงใช้ชีวิตถูกใช้ยังไงก็คือการรู้จักว่าอะไรทำอะไรไม่ต้องทำอะไรที่ไม่ต้องทำบ้างเยอะเอาอะไรที่ต้องทำดีกว่า อะไรที่ต้องทำบ้างตื่นเช้าเป็นเวลาทุกวันเวลาเดียวกันจะตีสี่ตีห้าเลือกเอาแล้วกันเดินจงกรมตั้งเวลาไว้สี่สิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่แต่เดินเท่าที่ตั้งอยากเดินต่อไม่ต้องเดินต่อไม่อยากเดินจนจบเดินให้มันจบ หลังจากนั้นทำกิจวัตรประจำวันกินข้าวออกกำลังกายล้างจานซักผ้าตากผ้าถูบ้านทำไปในเคสคนไม่ทำงานช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยสิบโมงเดินอีกรอบหนึ่งเสร็จปุ๊บกินข้าวเที่ยงออตอนบ่ายเดินอีกรอบหนึ่งบ่ายสาม กินข้าเยน็นสามทุ่มสมมุตินอนสี่ทุ่มสามทุ่มเดินอีกรอบหนึ่งสี่ทุ่มนอนทำแบบนี้ทุกวันอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำถ้าอะไรก็ตามที่มาขัดขวางสิบโมงบ่ายสามสามทุ่มของเรายกเลิกกิจกรรมนั้นไปซะต้องเดินจงกรม เราจะได้รู้ว่าเราไม่ต้องทําอะไรบ้างง่ายๆออกไปไหนถ้ากลับมาไม่ทันบ่ายสามไม่ต้องไปอยู่บ้านเตรียมเดินจงกลมออกไปไหนตอนกลางคืนกลับมาไม่ทันสามทุ่มไม่ต้องไปเราก็จะเหลืออะไรทําน้อยลงเยอะโดยไม่ต้องคิดเลย ชีวิตเราทั้งชีวิตก็เลยเป็นอะไรมีแต่การปฏิบัติธรรมอยู่ในหัวใจของเราแรกๆตึงไว้ก่อนหลังๆเนี่ยพอมันเข้าไปอยู่ในเลือดในเนื้อในกระดูกเราแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราจะเลือกทำแต่สิ่งที่จำเป็นแม้ว่าอาจจะผิดเวลาบ้าง เราต้องเข้าใจให้ได้ว่าชีวิตของเราเกิดมาเพื่อความพ้นทุกข์พอเราเข้าใจได้เข้าไปในเลือดในเนื้อในไขกระดูกเรานี้เราจะไม่ทําสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เองแต่ถ้าเราเข้าใจไม่ได้ <c oughs> ก็จะเป็นต้องใช้ระเบียบวินัยอันเคร่งครัดบบังคับตัวเองตอนเราเข้าใจได้เราก็จะรู้เองว่าโอ้ไม่จําเป็นไม่ต้องทําวันนี้ผมพูด กับหลายคนตอนผมศึกมาผมไม่ได้กลับบ้านไม่ติดต่อเพื่อนไม่คุยกับใครเลยผมฝึกที่จะอยู่กับตัวเองตัดโลกภายนอกทั้งหมดกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ในโลกนี้ทุกคนจะต้องเข้าถึง สภาวะชีวิตที่ไร้คุณค่าไร้ประโยชน์กับโลกนี้ชีวิตที่ไม่มีใครเอาเราแล้วเข้าถึงสภาพแบบนั้นได้นั่นเรากำลังก้าวหน้าแนละ้วเพราะการที่เราเข้าถึงสภาพนั้นเราจะทุกข์มาก อัตตาตัวตนที่เราเคยมีนีถูกบทขยี้ไปด้วยความไร้คุณค่าของตัวเราอดทนอยู่กับมันเห็นไหมใครทำให้เราได้รับสภาพนั้นสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเราต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันจะบทขยี้กิเลสและอัตตาของเราแล้วเราจะได้เรียนรู้มัน กิเลสอัตตาตัวตนถูกสิ่งแวดล้อมนี้บดขยี้ในความวิเวกสันโดษทําให้เราสามารถที่จะรู้เห็นแล้วก็เรียนรู้สภาพแบบนั้นสภาพทุกข์แบบนั้นได้พอเราเรียนรู้สภาพทุกข์แบบนั้นได้เราจะเรียนรู้ว่าโอ้อัตตานี่ยมันเป็นโทษมาก ก่อทุกข์มากจริงๆพอเราเรียนรู้ว่ามันเป็นโทษเราเรียนรู้ว่าอะไรเป็นโทษได้เราถึงจะปล่อยวางมันได้ถ้าเราไม่สามารถเรียนรู้เห็นโทษเห็นภัยของมันได้ไม่มีวันเลยที่จะปล่อยวางมันได้ เพราะนั้นพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนอยู่ในหม้อตุนให้มันตุนเราตุนเราบดขยี้เราบดขยี้ทู ก, กิเลสบดขยี้จนสุดท้ายหลังชนฝานี่เราหลังชนฝาทำอะไรไม่ได้แล้วแก้ไขอะไรไม่ได้สู้อะไรไม่ได้ได้แต่ยอมอย่างเดียว สภาพนี้สภาวะแบบนี้สำคัญสภาวะหมาจนตอกสภาวะแบบนี้หลวงพ่อช า, าเคยพูดถึงหลวงพ่อปามโมทเคยเคยพูดถึงสภาพที่แบบหลังชนฝาแล้วหลวงพ่อสุมโนโคเคยพูดถึงเหมือนกันบอกว่าหลวงพ่อชาเคยพูดว่าปฏิบัติไปจนวันหนึ่งเราจะเหมือนกับเดินเข้ามาในห้อง ทึบเข้าปุ๊บประตูปิดอันนี้เปิดออกไม่ได้เลยล็อกอยู่ในนั้นไปไหนไม่ได้ก็ในในความหมายคือภาพหลังชนฟ้านั่นแหละทำอะไรไม่ได้อีกแล้วดังนั้นแหละเป็นประตูสำคัญเพราะว่าความทุกข์นี่จะบทขยี้เราขนาดนั้นจนเรายอม พอยอมมนเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นกลางยอมแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติทุกคนต้องไปพิจารณาให้ดีว่าเราพร้อมจะถูกบทขยี้หรื อ, อยังด้วยสิ่งแวดล้อมที่จะเหมาะสมที่จะทำให้ความเป็นพุทธะของเรา เบ่งบานขึ้นมาในใจของเราให้ได้แต่มีปัญหาปัญหาของเรานักปฏิบตัติเราลูกศิษย์ทั้งหลายอยากก้าวได้ในการปฏิบัติธรรมแต่แนะนำปุ๊บยังไม่ได้ยังทำไม่ได้ จำตัวอย่างที่ผมบอกไว้ตุ่มที่มันเต็มแล้วต่อให้เราทำต่อไปน้ำก็ล้นทิ้งเปล่าๆเราต้องมีตุ่มใหม่เพื่อจะลองรับผลจากการปฏิบัตินั้นต่อไปตุ่มใหม่ที่ว่ามันสมมุติว่า มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะต้องมีอะไรที่เป็นเมเจอร์เชนจ์ใหญ่ๆการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอะไรแบบนั้นแต่มันอาจจะเป็นการที่เราเราอาจจะชอบทำอะไรแบบนี้เป็นประจำแต่เราก็ฝึกที่เราจะไม่ทำแบบนี้แล้วไม่ทำตามกิเลสแบบนี้แล้วแล้วดูเป็นยังไงอย่างเงี้ อย่างละนิดอย่างระหน่อยเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มตุ่มเหมือนกันเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเหมือนกันคอยเพิ่มความเข้มข้นในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติของเราเนี่ยให้มันให้มันงวดเข้างวดเข้า